ก็มาสองคนมาคนเดียวสองคนสองสามคนแต่คนดูก็เนี่ยรถมันจะมาก เ, าเกือบจะเท่าๆคนแต่คนมันตัวเล็กกว่าฮอาไปหลบอยู่ที่ไหนก็ได้แต่รถเนี่ยมันจอดเวลาจอดมันต้องเป็นที่เป็นทางเพราะนั้นที่จอดรถเคนส่วนมากมาน่ยหลวงพ่อหนักใจในงานาพระราชทานเพลิงศรีระของ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 นำเสนอวันที่ยี่สิบหอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันขอขอให้พวกเราทบทวนดูวันจะออกพรรษาแล้วพวกเราได้ตั้งสัจย์จะอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาปีนี้ปีสองพัน้าห้าสิบปดพวกเราได้ตั้งสัตยจะอธิษฐานอะไรไว้บ้างจะโกหกพระพุทธรปกไหมพอไปตั้งสัตยจะอธิษฐานต่อหน้าพระประธาน ข้าพเจ้าจะงดเล่าข้าพเจ้าจะงดบุรีเออข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาตสามเดือนเออข้าพเจ้าจะงดอบายมุกเออเรานี้เป็นต้นนะอ่อไปต่อตอดอธิษฐานต่อหน้าพระประธานเออพวกเราไปโกหกกหกคนอื่นยังแล้วยังไม่แล้วนะไปโกหกพระประธานอีกไม่น่าจะถูกต้องนะเออเพราะนั้นเอ่อเวลาออกพรรษาเนี่ยพวกเราก็ควรจะ ใคโกหกพระประทานกับคนจะมีดอกไม้ทูบเทียนเ อ, อนึกในใจผู้ฆ่าได้ประมาทพลาดพังได้พังวายจาไปแล้วรักษาสัตว์ไม่ได้เอ อ, เ อ, อให้พวกเราการาบคารวะนะเพราะโกหกพระประทานในบาปนะเ อ, อโกหกตัวเองก็จะค่อยยังชั่วโกหกคนอื่นก็ค่อยยังชั่วนะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราพูดผู้ใดได้ได้รักษาได้เออใช่ข้าพเจ้ารักษาสัตว์จะได้จริง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 เนีเมื่อข้าพเจ้าได้ทําบุญในคราวนี้ครั้งนี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าไม่มีใหย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินในทุกพบทุกชาติด้วยเถินะออคําว่าไม่มีค่ะคานี้นะให้พวกเราฟังเอาไว้เหมือนคำคำพูดสั้นๆ น, นะคําว่ามี ม, มิไม่มีเงินไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยอไม่มีตึกลานไม่มีเงิน ปัจใจสีไม่มีหยุกไม่มียาคําว่าไม่มีฮะกินความกว้างมากตังก้งจิตที่ฐานของท่านพระอนรุธะเถระนะในสมัยเมื่อทําบุญกับพระปเจกพุทธเจ้านะจากนั้นท่านเกิดมาพ่อปเจกพุทธเจ้าท่านก็มองฮะท่านก็มองมองมันเป็นไปได้ไหมเพราะพระปเจกท่านมีญาณรัตนะใช่ฮะจากนั้นท่านก็ เลงไปข้างหน้าเอาเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนับไปเลยจะจะตัดตดตัดตตโอ้ใช่ความปรารถนาของเขาสําเร็จแต่อที่เขาตั้งความปรารถนาในคราวนี้ครั้งนี้พระพเจพ้าพระธิาเอวังหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเทถิอจากนั้นพระพเจก็เหาะฟึบเอ อันนี้คือพร่ประเจร์กออกจากนิโรธสมาบัติก็มาโปรดพระอนุรุทธะเป็นทุกขตะเนะนี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบคุณงามความดีถ้าเราเ อ, อไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้ก่อนเราจะไปขอพรเ อ, อไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าเมื่อเราทําดีซะก่อนเราจึงขอพรเออ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 ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้รู้ว่าอืมใช่ปีที่แล้ว เ, เราตั้งสัตยจจะอธิษฐานจุดนี้ขาดเท่านั้นหล่นเท่านี้บกพร่องเท่านั้นเท่านี้เราปีต่อไปเราก็จะได้ทาให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าเราเป็นคนดีขึ้นไปแล้วน่ะเราก็จะได้ภาคภูมิใจเนพราะพอะเหตุไร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 มัวเมาในโลกวัตฏสงสารว่ามีความสุขแต่ที่ใบไม้อยู่ในกำรร ม, มือของเราเราบอกให้ท่านทั้งหลายอย่าติดอยู่ในโลกวัตฏสงสารอยู่ในโลกวัตฏสงสารนี่มีแต่แก่เจ็บตายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉนั้นให้พวกท่านทั้งหลายหนีจากความเกิดแก่เจ็บตายจะทํำยังไงจึงจะหนีล้นหลุดพ้นจากความเกิดเก่เจ็บตายนี่แหละเราได้สอนวิ ช, ชาตัวนี้ให้กับพวกเธอท่านทั้งหลาย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 ในเมื่อนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพยท่านดำรงชีพด้วยท่านดารงสมณะเพศของท่านอยู่ในป่าในดงท่านบาเพ็ญอย่างสุดถึงจากนั้นท่านก็ได้มาเนะเอา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 บุญสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการสร้างขึ้นมาในจิตในใจในหลักธรรมคาสอนเป็นพุทธภาษิตว่าปุญยานิปัลโล ก, กัตเสมิงปฏิทถาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนานคล้ายๆกะว่าคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของพวกเราในปัจจุบันนี้เนี่ย